ก็อย่างนี้แหละวัตตะมันก็เป็นไปด้วยประการอย่างนี้แหละเะฉะนั้นการกําหนดกรรมกําหนดผลของกรรมกําหนดปัดจจัยเนี่ยจึงจึงเป็นเครื่องเตือนเราได้เลยว่าถ้าไม่รีบทํากิจจะนะที่ถ้าไม่รีบทํารทปริญเจริญปริญญาเป็นต้นเอาไว้ให้เพียงพอไม่กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ไม่ละสิ่งที่ควรละไม่ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งไม่เจริญในสิ่งที่ควรเจริญรู้ได้เลยว่าคติที่ไปในภพหน้าไม่ดีแน่ ยากจะบอกอาจารย์ว่าที่นี้ค่ะไปลูกชายก็ไปเมืองนอกกลับมาก็พาไปกินอาหารแล้วเสร็จหลานนะ่ะหลานอายุเพิ่งสามขวบกว่าเห็นคุณปู่กินเหล้าหลานเขาว่าไงไหมคุณปู่ถ้าคุณปู่กินเหล้านะสมองกุ้งแล้วก็มีขี้อยู่บนหัวดูเลหลานสอนปู น้อเล็กคงแหม่ไม่น่าให้นั่งรถมาด้วยเลยวันนี้นะวัตาก็เป็นเช่นนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ชมมากเดี๋ยเขาก็ว่าเอามัง่งเล็กคิดอะไรมากเลยจะป่วยวัตตาทั้งหลายเนี่ยนะที่ที่เวียนว่ายตายเกิดกันเนี่ยนะพันการพิจารณาให้มากๆนี่จึงเป็น อ, อย่าลืมนะว่าข้อปฏิบัติในผู้าศาสนาคือพิจารณาพิจารณาเนี่ยนะคำว่าพิจารณาแปลกลับมาเป็นภาษาบาลีคือว่าอะไรบ้าง พิจารณานะีการพิจารณาเรียกว่าแปลว่าปริญญาก็ได้รู้รอบแปลว่าสัมมาสนาก็ได้แปลว่าตีรณะก็ได้เพราะแปลว่าเป็นการพิจารณาหรือวิจยะหรือปะวิจยะก็ได้ธรรมวิจยะก็ได้ฉั้นตัวพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาแยกจำเนกแยกแ ย, ยะวิเคราะห์สภาวะนั้นๆพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัยถึงอสาธาอาธีนวะเนี่ยนะมันมีความน่าชื่นใจอย่างไรแล้วมีทุกขมีโทษอย่างไร อะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์จนกว่าจะตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะยอดยอดของที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่การตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นนั้นเพราะการพิจารณาถ้าไม่ดีพอเนี่ยนะไม่สามารถที่จะตัดฉันทราคะได้หรอกนะนะถ้าพิจารณาไม่เพียงพอจริงๆโดยเฉพาะเนี่ยนะยาตประญญากับตีรณะปริญญาแบบหยับยาบเนี่ยนะที่กล่าวว่านนะคือ จเรียกว่าหยาบเนี่ยหมายคือว่าถ้าเทียบกับระดับสูงถ้าเทียบกับระดับสูงเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดนี่ถือว่าอย่างหยาบมากแล้วนะถ้าเป็นนี้ก็เพียงแต่ว่าไปตัดทรงมาจากป่าเท่านั้นเองเนี่ยนะยังไม่ได้ลงไม้ลงมือจะแกะสลักทํารูปทําร่างอะไรสักอย่างเลยนะเพียงแต่ว่าไปเอาทรงมาแล้วก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนยังไม่ได้เป็นรูปเรืออะไรเลยเนี่ยนะก็เพียงแต่ยังมองหยาบเท่านั้นเองเพระงั้นการที่มาแบ่งนะแบ่งสรุปว่าแบ่งชีวิตเป็นขันอายตนะธาต แล้วโยงว่าชีวิตในอดีตอนาคตปัจจุบันก็คือขันธาตุอายตนะธาตุปฏิเสธสัตตสัญญาทั้งขันอายตนะธาตุอดีตและอนาคตแล้วก็เชื่อมว่าปัจจัยแห่งขันธาตุอายตนะอดีตอนาคตปัจจัยของขันธาตุอายตนะในอดีตปัจจัยของขันธาตุอายตนะปัจจุบันปัจจัยแห่งขันธาตุอายตนะในอนาคตเนี่ยจนไม่สงสัยเรื่องขันธาตุอายตนะทั้งอดีตอนาคตและ ปัจจุบันพร้อมทั้งภายในภายนอกอยาละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้สิ่งเหล่านี้จะพามาเป็นทวาร6อายตนะภายนอกหอายตนะภายใน6วิญญาณหภผัสสะหเวทนา6สัญญาหเจตนาหตันหาหวิตตกหวิจารหกก็ไม่สงสัยหรือจะประมวลเป็นภพสามกำเนิดสี่คติหวิญญาณทิติเจก็ไม่สงสัยเหตุที่ทำให้เกิดในภพสามกเนิดสคติหวิญญาณทิฏิเจเป็นต้นก็ไม่ สงสัยเพราะกําหนดปัจจัยและผลของปัจจัยได้เป็นอย่างดีเรียกว่าจนไม่มีคําว่าสับ ส, สนเลยเนี่ยนะจนไม่เบลอไม่เลอะเลยอันนี้เรียกว่ามีสติเนี่ยนะไม่เลอะเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะท่านคำว่าสติระดับสูงนี่จึงกว้างขวางมากเนี่ยนะไม่ใช่ไม่รู้อะไรท่านสติที่ไม่เลอะเลือนแม้แต่นิดเดียวอันนั้นเรียกว่ามีสติทีนี้สติเหล่านี้ที่ระลึกเนี่ยระลึกเพื่อการวิจัยวิจัยเพื่ออะไรวิจัยเพื่อแทงตลอด สัจจะการวิจัยแค่ไหนจึงจะสมควรแก่การแทงตลอดสัจจะเพราะฉะนั้นโสตาปฏิยังค่าธรรม4ี่ประการใช่ไหมหนึ่งครบสัตบุรุษข้อสองฟังธรรมของสัตบุรุษข้อ3โยนิโสมนานัสิการถามว่าเราจะต้องโยนิโสมนานัสิกา ร, รแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนธรรมมานุธรรมปฏิปติโยนิโสมนัสิกา ร, รจนกว่าจะบรรลุโสดาปฏิมักสก่าทาคามีมกักอน า, าคามีมักและ อรหัตตะมักหรือมักน้อยเนี่ยนะอย่างพระรูปหนึ่งนะโอ้ยท่านทําบุญอะไรท่านก็ตั้งความปรารถนาชาตินี้ขอให้รู้จักนามรูปก็พอเลวอยว่างั้นนะนะไม่เอาอะไรมากขอรู้จักแค่นามรูปท่านพอท่านรู้นามรูปท่านเลิกเป็นมาสนใจเรื่องนี้เลยนะรู้อะไรว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามก็เลยพอเลยตอนนี้ก็ผลิตยาใหญ่โตเลยก็เพราะว่านเนี่ยเตตนาที่ตั้งไว้แค่ขอให้รู้นามรูปก็พอพอพ อ, พอเข้าใจนามรูปบ้างก็เลย เลิกเลยนะแล้วเราทั้งหลายมีมีจินตนาการมีความปรารถนาอย่างไรในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างไรเสียเนี่ยน ะ, ะเจตนาคือมักเบื้องต้นอันนี้จําต้องปรารถนาไว้ในเบื้องแรกอย่างน้อยก็มักเห็นก่อนก็ยังดีใช่ไหมมักเห็นก็เรียกว่าทัศน์มักให้ได้เห็นอริยสัจอัะนนะ่เรียกว่าชาตินี้เห็นอริยสัจค่อยพอถ้าไม่เห็นอริยสัจจะเพี้ยนที่สุดเท่าที่จะเพียนได้ มันจะตายกันไปข้างหนึ่งก็ต้องยอมนะจะต้องสละอย่างอื่นบ้างก็ต้องยอมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงนะเพ่งสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเช่นป่วยไข้นี่ก็ต้องเสียเงินเสียทองเพื่อการรักษาเป็นต้นก็ต้องยอมรักถ้าจะต้องตัดอวัยวะบางอย่างเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ก็ต้องยอมแต่ถ้าจะรักษาธรรมะรักษากุศลธรรมทั้งหลายอนนรักษาอะไรศีลสมาธิปัญญารักษาการพิจารณาอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะ รักษาการเจริญกุศลธรรมเพื่อพ้นทุกจำต้องสละทรัพย์สละอวัยวะหรือทุ่มเทด้วยชีวิตในพระไตรปิฎกเขามีคำอยู่คำหนึ่งแบบว่าไม่อะไรในร่างกายและชีวิตมีตนส่งไปแล้วถ้ายังอะไรในชีวิตก็คือยังอะไรในขันถ้าอะไรในขันอยู่จะแทนเห็นอริยสัจได้ไหมเห็นนิโรธสัจจะได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วจะต้องหมดความเยื่อใใน ร่างกายและชีวิตแล้วคิดยังไงจึงจะละความเยื่อใยในร่างกายและชีวิตเนี่ยนะเนี่ยนะทำยังไงจะละความเยื่อใยในร่างกายและชีวิตเพราะเรานึกถึงตรงไหนใจก็เยื่อใยมันเต้นไปหมดเลยเนี่ยนะเมื่อเยื่อใยมันมากขนาดนี้แล้วคั่วเยื่อคั่วใยยังไงให้มันแห้งเนี่ยนะเพราะนั้นข้อปฏิบัติเขาจึงเรียกอาตาปีไงคั่วอาตาปีนี่แปลว่าคั่วหรือแปลว่าเผาใช่ไหม เาขาคั้วจนเยื่อใหยนี้มันมันเหือดมันแห้งไปในในแต่ละอารมณ์นั้นนั้นอารมณ์ใดๆเนี่ยนะเป็นที่ชุ่มแห่งกิเลสอารมณ์นั้นนั่นแหละที่จะต้องพิจารณาจนจนไม่เยื่อใยะนะคิดยังไงจึงจะละความเยื่อใหญ่ได้ในในแล้วก็อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งการพิจรนารณาจริงๆก็คืออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใหญ่อย่างสูงสุดด้วยนะอะไรคือสิ่งที่เราเยื่อใหญ่ที่สุดในโลกนี้ในโลกนี้นะี โลกทวารตาเราเยื่อใยในอะไรที่สุดโลกทวารหูเราเยื่อใหญ่อะไรที่สุดทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจแต่และทวารเราเยื่อใยทวารไหนที่สุดแล้วก็วิจัยทวานนั้นจนกว่าจะขั่วขั่วจนกว่าจะตันหานี่เหงือดแห้งไปหมดเลยนะจนกว่าจะถึงระดับนั้นถ้าไม่ถึงระดับนั้นล่ะนะก็ตรงนั้นเนี่ยนะที่ใดที่ชุ่มด้วยด้วย ด้วยเยื่อใหญยนะที่นั่นเพาะง่ายเพาะขึ้นด้วยเนี่ยนะเพาะไหนเพาะอะไรเยื่อใหยตัวนี้ก็ทําให้เพาะขึ้นในวะะัฏฏะนะเพาะอะไรเพาะชาต์นะก็เลยเมื่อชาติชราเป็นต้นก็ติดตามพญาที่ก็ครอบงามเดี๋ยวก็มรณะก็มาห้มหันมันหันจริงๆนะหันตรงไหนบ้างมันเลือกหันไปเรื่อยใช่ไหมบางคนก็เจอหันที่ท้องก่อนฮ บางคนก็เจอหันที่ขาบางคนก็เจอหันที่แขนบางคนก็เจอหันที่ศีรษะบางคนก็หันที่กระโหลกเป็นต้นนะบางคนก็ถูกหันที่ฟันเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันจะเลือกตำแหน่งไหนก่อนแล้วก็ในที่สุดก็เมอนกันหมดคือตายแต่ว่าก่อนตายเยื่อใหยที่ใดนะที่นั่นก็เพาะขึ้นอีกนะมันเป็นต้นอะไรนะเป็นวัตฐพัน์ปราชญ์เป็นพันธุ์ที่จะเรียกว่าเหมือนอมตะจนพวกสัตววาทีบุคคลว่ามันเที่ยงอะ พวกศาสตาวาทีบุคคลเนี่ยคิดแล้วละลึกชาติได้เป็นกลับกับหลา ย, ลายสิบกับนะบอกโอ้ยมันเห็นแต่อยู่อย่างเงี้ยนะมันเพาะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยจนทิศว่าพวกเนี่ยเที่ยงหรือแม้กระทั่งพวกที่ฟังชาดกมากๆก็เลยถือว่าเที่ยงไปเลยก็มีอย่างเช่นพระสาติตพิขูเนี่ยนะท่านถือว่ามันเที่ยงเพราะว่าก็ก็จะว่าอย่างพระองค์ประชุมชาดกใช่ไหมอมโหสถบัณฑิตในชาตินั้นก็คือเราตถาคตนี่แลพระเวสสันดรในชาตินั้นก็คือเราตถาคตนี่นั่นแหล ฟังแล้วเออมันต้องเที่ยงสิใช่ไหมการศึกษาพระธรรมเนี่ยจนกว่าที่จะเพิบทั้งสัจธรฐิและอุเชททิฏฐิได้เนี่ยนะจะต้องวิจัยขนาดไหนจะต้องทําปริญญาขนาดไหนพราะคนที่ทําอย่างนี้เนี่ยนะคุณทำอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือชากริยานุโยกชากริยานุโยกนี่คือความตื่นตัวนะไม่ใช่ว่าไม่หลับเลยนะเบลเอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ใช่ แต่เกียร์ตะกายถางตาอยู่นั่นแหละคิดอะไรก็ไม่ออกเ น, นี่ยอ่นหนังสือก็อ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนี่ยนะก็ไม่ใช่อันนั้นไม่เรียกว่าชาคริยานุโยกเพราะนั่นนิวรณ์กลุ่มรุมอย่างมากแต่ในที่นี้หมายถึงว่าความตื่นตัวในการพิจารณาอย่างเต็มที่เนี่ยนะว่าคือตื่นตัวว่าทุกอย่างในปริมาณที่จํากัดหมดเลยอะไรจํากัดบ้างชีวิตเรานี้จํากัดได้ใช่ไหมชีวิตนี้ก็จํากัดเห็นชัดอายุของพระศาสนาก็ จำกัดหนังสือที่เราใช้สอยก็มีอายุใช้งานที่จำกัดเวลาที่เรานั่งฟังธรรมก็จำกัดทุกแห่งที่เราอยู่นะอยู่จำกัดหมดเลยเมื่อทุกอย่างในขอบเขตที่มันจำกัดคือมันสุ้นอ่ามันสิ้นเป็นสุดเป็นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเนี่ยนะจะต้องตื่นตัวขนาดไหนที่จะทำกิจนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าบุคคลเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนสมควรแท้ที่จะปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของบุคคลอื่นจึงสมควรแท้ที่จะยังกิจเหล่านั้นด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่นจึงสมควรแท้ที่จะยังอันนะกิจเหล่านั้นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาเพราะคัานคำว่าไม่ประมาทคือตั้งใจว่าศีลที่ยังไม่เกิดก็ สมาทานให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ปกปักรักษาเอาไว้ที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็พ่อพูนให้ภับูลนบริบูรณ์ยิ่งย่งขึ้นไปสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนามรูปใดที่ยังไม่พิจารณาก็สมาทานอธิษฐานที่จะต้องเข้าไปพิจารณาเข้าไปวิจัยนามรูปใดที่พิจารณาแล้วก็ทําให้เป็นวั ส, สีให้ชํชนานิชํานาญให้คล่องให้แคล่วเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าอะไรมนมีการไม่ท่องบนเป็น มนทินประหูสูตรมีอะไรเป็นมนทินไม่พิจารณาเมื่อไหรก็เป็นมนทินของผู้เป็นประหูสูตรผู้มีปัญญาผู้ที่เจริญวิปั ส, สนาทั้งหลายเนี่ยมนทินคือการไม่เจริญกรรมฐาน น, นะไม่หมัน่นพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นนั้นบ่อยอันนี้คือเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้ไม่เจริญนั่นการพิจารณาขันอายตนาธาตุในการสามอดีตอนาคตพร้อมทั้งปัจจัย อันนี้จึงถือว่าเป็นบาตรที่สําคัญมากอันนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์ต่อไปเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วอานะการรับปัญญาให้มันคมกล้าเข้าไปอีกก็คือการน้อมไปพิจารณาว่าขันท่าอายตนะพร้อมทั้งปัใจจัยในอดีตก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สิ้นแล้วหมดแล้วดับแล้วไม่มีส่วนเหลือนะพบนั้นๆสังขารทั้งหลายที่จะมีต่อไปในอนาคตนนะขันธาตุอายตนะทั้งหลายที่มีในอนาคตก็พูดได้เหมือนกันเลยว่าไม่เที่ยงเหมือนกัน น, นะเพราะสิ้นไปอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วขันทั้งหลายอายตนะทั้งหลายธาตุทั้งหลายที่มีอยู่นี้ ที่มีอยู่ในภพนี้นะร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมว่าตายแน่ไม่เที่ยงแน่เพราะสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงอนนี้จาวตาสังขาราเนี่ยนะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งมวลในโลกล้วนแต่ไม่เที่ยงอนะมีความเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเพราะได้ปัจจัยก็เกิดขึ้นใช่ไหมสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นก็มีอันเสื่อมไปเป็นธรรมดาเหมือนอย่างว่า แกงทั้งหลายที่ปรุงจนเสร็จเนี่ยนะปรุงเสร็จแล้วก็ถามว่าแกงนั้นมีอะไรเป็นที่สุดมีความบูดเป็นที่สุดเนี่ยนะปรุงดีขนาดไหนก็มีความบูดเป็นที่สุดภาชนะดินที่นายช่างผู้ฉลาดปั้นดีขนาดไหนลายวิจิตขนาดไหนที่สุดแห่งหม้อ น, นั้นก็คือแตกทําลายที่สุดแห่งสังขารทั้งหลายก็คือการแตกทําลายถึงเจต ก, กรรมชนิดใดนําเกิดก็แตกทําลาย เพราะสังขารทั้งหลายมีการแตกทำลายเป็นที่สุดมันสังขารในภพนี้ก็จึงไม่ที่ยังเหมือนกันอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นจะต้องอาศัยใช่ไหมธาตุหนึ่งอาศัยธาตุเธาตุสามธาตุสอาศัยธาตุหนึ่งธาตุสองอาศัยธาตุสองเป็นไปนามขันหนึ่งอาศัยนามขันสามนามขันสามอาศัยนามขันหนึ่งนามขันสองอาศัยนามขันสองรูปอาศัยนามนามอาศัยรูปเมื่อรูปแตกทำลายก็พาเอานามตายไปด้วย ถ้านามแตกทำลายก็พาอารมณเสียหายไปด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็พึ่งพาซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้จึงไม่เที่ยงเลยนะถ้าลองตสิ้นไตทั้งสองไม่มีไตได้กี่วันดีไม่กี่วันนะนะถ้ามไม่มีตับไม่กี่วันถ้าสิ้นปอดไม่กี่นาทีถ้าไม่มีปอดเลยอยู่กี่นาทีอยู่ไม่กี่นาทีแล้วหายใจยังไงอ่ะไม่เกินห้านาทีเนี่ยนะ ไม่เกินห้านาทีก็ตายหมดแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มันอาศัยซึ่งกันและกันมันพึ่งพากันและกันเนี่ยนะถ้าเอาหัวใจออกอยู่ได้กี่นาทีไม่นานเนี่ยนะสรุปแล้วก็เตรียมได้หมดเลยนะเพราะจะเอาส่วนใดก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันพึ่งพาซึ่งกันและกันบำรุงร่างกายเป็นอย่างดีจุติจิตทำกิจแล้วจุติจิตทำกิจอะไรจะเกิดขึ้นรูปมันจะแข็งแรงขนาดไหนก็ตายเนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรนะสมัยใหม่เขาเรียกว่าไหลตายเนี่ยโรคพิเศษ ที่ที่มีขึ้นก็นว่าหลับแล้วไม่ตื่นะโรคเข้านอนแล้วก็นอนแล้วก็นอนเลยเนะก็คือไม่ตื่นเพราะจุติจิตทํากิจไปแล้วตรวจไปตรวจมาหมอวินิจฉัยได้อย่างเดียวว่าหัวใจล้มเหลวมันก็ไม่มีผิดอ น, นะก็บว่าตอนถังมาเนี่ยนะเขาได้ข่าวมาคร่าวๆว่าเขาจะไม่ให้เขียนนั้นบอกหัวใจล้มเหลว อ, อันนั้นไปตรวจชันสูตรศพ บ, บอกหัวใจล้มเหลวเพราะมันต้องล้มเหลว อ, อยู่แล้วใช่ไหม พูดยังไงก็ไม่ผิดแต่ว่าไม่รู้สาเหตุจริงมันคืออะไรนะนะสาเหตุทำให้หัวใจล้มเหลวจริงคืออะไรคือสรุปแล้วยังไงมันก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปแต่ถามว่าชีวิตในอดีตดำรงอยู่ด้วยอะไรด้วยชาติชรา ม, มรณาโศกกะปริเทวะทุกขโทโมณัสและอุปาญาเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะก็เป็นทุกข์มันน่ากลัวไหมล่ะสิ่งเหล่านั้นก็น่ากลัวชาติต่อไปพบต่อไปเนี่ยนะ ก็มีแต่อะไรก็มีแต่ชาติชรามรณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเราทําทุกอย่างเพื่อชาติชรามรณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตก็อย่างที่ว่าสิ่งที่เราแสวงหาสิ่งไหนมั่งไม่นํามาซึ่งโสกกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเพราะฉะนั้นก็คือเที่ยวสแสวงหาเสาะหาอะไรวัตถุที่เป็นชาติชรามรณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตแล้วชาติปัจจุบันนี่แหละเคยถามหลายคนนะบอกเอานะ ให้มาเดินตามรอยเก่าทุกก้าวเท้ามาเลยจันสมชายเอาไหมเดินตามรอยเท้าเก่าทุกก้าวเลย <Okay. S 1> กลับไปใหม่แล้วกลับไปเดินตั้งแต่แรกอะคลอดอกมาแล้วเดินตามรอยเท้าเดิมทุกอย่างความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมหมดอาไม่เอาอีกนะจันติเตียวไหมไม่สนใจนะผู้การโอ้ยกว่าจะสอบในร้อยได้มันยากนะผู้การอ่ะ <laughs> พี่อิทเอาไหมเท่าเดิมหมดเลยนะดอกโสดก็แบ่งบานตามเดิมอย่าง <laughs> นะนี้นะก็ไม่ไม่เอาอีกใช่ไหมพุนกะตาเอาไหมเท่าเดิมหมดเลย คิดว่าไม่เอาเนอะก็ของมาก็ไม่เอาเหมือนกันอหละกลัวจะตายอยู่แล้วกูก็บอกว่าถามว่าขอมานี่กลัวอะไรที่สุบอกกลัวกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลัวยิ่งกว่ากลัวผีนะไล่ให้เราไปอยู่ป่าช้ายังไม่น่ากลัวเลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามาเกิดใหม่จะยังไงเนาะไม่ใช่อะไรที่กลัวรู้ไหมแต่กลัวทุกข์ก็กลัวและกลัวเรามาทําบาปถ้าเกิดมาใหม่เราจะทําบาปได้ขนาดไหนเนาะเนี่ยยังนึกในใจอนะ เพราะอาชีพที่ที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อยอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการทําบาปซะส่วนใหญ่อันนี้พูดถึงโดยปริมาณจํานวนมากเลยก็อาชีพที่มีฐานะในโลกคืออาชีพสายปานาติบาสสายอาทินนาทานสายกามีสายมุสาสายสุราเนี่ยนะเนี่ยที่ที่มั่งมีจริงๆนะสายนี้สายมูสาว่าสายเพอร์เชอร์สายเนี่ยสายล่วงอกุศลกรรมบทซะส่วนใหญ่เลยนะเพราะประกอบไปประกอบมาเนี่ยนะเอาโดยที่สุดวิชาทหารเนี่ยนะ โอ้ยพวกหน่วยรบพิเศษเลยนะเงินเดือนสูงมากเลยอันนันก็คืออะไรค่าคนได้เร็วที่สุดอะไรที่สุดแม่นยําที่สุดไม่พลาดที่สุดนั่นแหละอาถามเอาวิจัยโอ้ยสายวิจัยก็อะไระก็ไปผ่าเอาไตาของสัตว์มาวิจัยบ้างเอาหัวใจของเขามาวิจัยบ้างอันนั้นคืออะไรที่ดี <c oughs> ถ้าเราจะผลิตยาขึ้นมาชิ้นหนึ่งเราต้องไปลองกับชีวิตกี่เจ้ามาเอาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องคือโดยรวมๆและเปื้อนบาปมาทั้งนั้นนะ เพราะถ้าเรากเกิดมีความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยคิดสูตรฆ่ามนุษย์ได้ภายในไม่กี่นาทียางเงนะอก็ยับเยินนะเกิดมานะเกิดมาครั้งเดียวทำบาปไว้ครั้งเดียวเนี่ยนะโอ้ยสังสารวัตยาวเนี่ยนะหมายคําว่าอาบายนี่อยู่ยาวเลยนะหรือเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าเอาแบบญาติพระเจ้าพิมพิสารแนดีตชาติใช่ไหมโอยเกิดมามีบุญมีอะไรมาก ทำให้ได้มาอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเขาให้มาดูแลเรื่องอาหารถวายพระพุทธเจ้านึกหิวขึ้นมากินของสงําลายของสงตกนรกอยู่91กับเนี่ยนะเป็นเปรตอยู่สพุทธันดรเนี่ยนะมาชาติดีๆว่าตอนท้ายก็ยังเขาทําบุญอุทิศส่วนกุศลตอนหลังตอนหลังจึงได้บรรลุธรรมนั้นถ้าไปทําบาปแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะโอ้ยเรื่องยาวเล ย, เ น, ยนะต่อจากนรกสู่นรกจากเปรตสู่เปรตเนี่ยใ น, ในกปิละสูตรพระองค์จึงตรัสว่า จากที่มืดสู่ที่มืดจากคันสู่คันเนั่น น, น, นั่นคือโทษแห่งความเกิดเราไปอยู่ที่ไหนบ้างที่เราทำบาปไม่ได้เราลองมาไล่ดูนะในมนาบาปทั้งหลายเนี่ยนะที่ไหนบังที่เราไปอยู่แล้วเราทำบาปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาในภพใหม่เนี่ยนะตอนนี้ที่บาปมันลดลงบ้างก็อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนที่ว่าด้วยศีลจึงทำให้ลดบาปหลายอย่างออกไปคำสอนที่ว่าด้วยสมถาวิปัสสนาเป็นต้นช่วยให้ลดบาป ถ้าเราเกิดมาในยุคสมัยที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาเลยเนี่ยนะเราจะต้องไปทําอะไรบ้างเนี่ยนะก็น่ากลัวมากเว้นไว้แต่บุญเก่าสั่งสมไว้ดีเป็นคนที่อุ้ยฆ่าสัตว์ก็ไม่กลา้านะมีน้อยนักแลเนี่ยนะปัญหาว่าเอามาเลยเอามาเยอะๆเลยเนี่ยนะชอบมากนะนี่นะนะี่จะลําบากใจแล้วนะฉะนั้นการเกิดในพบใหม่แม้กระทั่งมาเป็นแบบเก่าก็น่ากลัวเนี่ยนะ ก็น่ากลัวแล้วก็หลายๆเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะได้เท่าเก่า น, นะเพราะมนุษย์มนุษย์ยุคต่อไปนี่มีแต่เลวกว่าเก่าทุกวันทุกวันขึ้นนะก็ดูได้จากเด็กๆสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดูได้ว่าแนวโน้มของโลกลักทธิที่ควรจะเจริญในโลกไม่ใช่พุทธศาสนาศาสนาที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในโลกไม่ใช่พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาคืออโลพาอะโทสะและอะโมหะคือศีลสมาธิปัญญาต่อไปภายภาคหน้าตอนนี้ก็อะทีปัญญาสิกขานี่ก็แทบอันตรธานอยู่แล้วนะอะที่ปัญญาสิกขาก็แทบอันตรธานอยู่แล้วอธิจิตตสิกขาก็แทบอันตรธานอะที่ศีลสิกขากะนะ็เห็นชัดว่าแทบอันตรธานหมดแล้วก็เหลือกันคนละนิดคนหน่อยเนี่ยนะวันสมัยใหม่เขาบอกใครมีศีลห้านี้โก้มากเลยเพราะกันนะว่าโก้มากนะตั้งห้าข้อใช่ไหม มีตั้งห้าข้ออะสมัยก่อนเนี่ยนะบอกอุ้ยใครมีศีลแล้วเป็นปุตุชนอยู่เขาตําหนิกันมากเลยนะสมัยพุทธกาลนะนี่ได้แค่จตุปาริสุธีศีลหรือได้แค่สมถะแค่แค่นี้หรอนี่ได้แค่รูปประฉานแล้วติดใจอยู่แค่นี้หรือเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสมัยพุทธกาลเลยนะไปอ่านในพุทธวงศ์ดูก็บอกว่าใครที่ยังเป็นเสขะไม่เป็นพระอรหันเนี่ยได้รับการตําหนิ นะนั่นคือสมัยพุทธกาลสมัยนี้ใครมีศีลห้าอยู่บ้างอู้คนดีเหลือเกินเนี่ยนะทำไมดีอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็ห่างกันมากแล้วนะแล้วก็ยุค ต, ต่อไปเนี่ยคำว่าศีลก็จะไม่มีคนไม่รู้จักคําว่ากุศลนนะถ้าดูตามจากักรวติสูนี้ชัดเจนเลยว่าต่อไปคนจะไม่รู้จักกุศลไม่เคยได้ยินคําว่ากุศลจะกล่าวไปลายไถึงการทํากุศลเล่าเพราะฉะนั้นทางภาอีสานเขาบอกว่า ตกปลาเพื่อการกุศลว่างั้นเถอะขายบัตรเพื่อไปฆ่าปลาเพื่อการกุศลงานมหรสพต่อยมวยการกุศลอย่างเงี้นี น, นนะก็โบราณมีหนักกันนั้นอีกเนี่ยนะก็คือดีไม่ดีมีการมีสุมิจฉาจารย์การกุศลด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นไอ้ไม่รู้กุศลหรืออกุศลแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ไพร่ปไปทําบาปมองว่าบาปการทําบาปเป็นกุศลอย่างร้ายแห่งเนี่ยนะถ้าพ่อตายแม่ตายจะทําบุญพ่อแม่เนี่ยนะ เรียกว่าทํางานศพพ่อแม่เนี่ยนะมันพ่อตายคนหนึ่งเนี่ยปลาตายเป็นเกือบจะเป็นฟาร์มมั่งหมูตายไปหลายตัววัวตายไปหลายตัวควายตายไปหลายตัวเนี่ยนะหมดเล่าไปหลายหลังมากเลยเนี่ยนะพ่อของพ่อนี่แหละตาย <c oughs> รุ่นพ่อทั้งหลายนี่ก็เลยโอ้ยทำบาปกันหันแหลกหมดนั่นแหละเขาจะทําบุญนะไพร่ปไปทําบาปวันสุดท้ายฉลองหานั่งมายิงกันเต็มจอไปหมดไปฉลองบุญ นะว่าโอ้ยเราก็พูดอะไรไม่ได้เลยนะเออทํากันไปบนะนะบุญบาปเหล่านี้เราไม่มีส่วนเพราะเราไม่อนุมโมทนาด้วยของใครก็ของใครละกันเองแล้วก็กิจกรรมที่เป็นบุญในยุคนี้คือการทําบาปเนี่ยนะกิจกรรมในยุคหลังมาแม้กระทั่งโดยที่สุดการให้ทานทั่วๆไปในวัดในวาเป็นต้นเนี่ยนะไม่รู้ทําบุญหรือทําบาปกันแน่นะแต่ว่าเขาไม่รู้จักคําว่าบุญคําว่าบาปซะแล้วเนี่ยนะ พอไม่รู้อย่างเดียวนี้อะไรเกิดขึ้นอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัย ก, ก็เกิดปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณของเราทั้งหลายจักยังลงที่ไหนเนจอจักยังลงที่ไหนเนอก็อยู่อย่างนี้สังสารวัตก็มีแต่อย่างนี้ประวัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าพบแล้วพบเล่าอยู่อย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งอัธยาศัยว่าทําอย่างไรจึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะก็อุบายที่จะให้ออกก็คือ ตามเห็นพิษตามเห็นโทษตามเห็นภัยของขันธาตุอายตนะตามเห็นภัยของวัตตะเหล่านี้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ใครที่ตามเห็นภัยของสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นั่นแหละเรียกว่าตามเห็นภัยนะถ้าภัยบวกตามเห็นแปลว่าอะไรก็พระยตูปถานนัยานเป็นต้นหรืออาทีินวานุปสนายานทีนิพิธายานเป็นต้น ตามเห็นภัยที่สุดเนี่ยนะก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดหรืออริยะสาวกผู้ได้ฟังอย่างนี้แล้วรู้เห็นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแมในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดอันนั้นคือทางออกของพระพุทธศาสนาดังนั้นการวางโครงสร้างการพิจารณาทุกอย่างเพื่อความเบื่อหน่ายและ คลายกำหนัดถ้าไม่พิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันจนเพียงพอเนี่ยนะให้เบื่อยังไงก็ไม่เบื่อคอร้องยังไงก็ไม่เบื่อคิดยังไงก็ไม่ยอมเบื่อเด็ดขาดเนี่ยนะเพราะว่าฉันธราคะในวัตตะรุนแรงกว่ายาเสพติดดังั้นคนที่เลิกยาเสพติดมีให้เห็นมากมายนะักแต่สมัยนี้คนที่ตัดฉันธราคะในวัตตะนี่หายากเต็มทีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมูสัตว์ทั้งหลายมีวัตตะเป็นที่มายินดี ยินดีในวัตตะแม้แต่คนที่เห็นภัยในวัตตะก็มีไม่มากนะนะก็หลายคนก็บอกว่าเขาเนี่ยเขาศึกษาธรรมะเนี่ยนะเขาเห็นภัยในวัตตะมากชีวิตตอนนี้ที่มีอยู่ชัดเจนเลยคือไม่มีเพื่อนคุยนะนะยงคาราว่ า, อ า, อ า, อาโอยไม่ค่อยมีเพื่อนคุยเล ย, ยนะฮะพวกที่สนทนาธรรมะที่จะออกจากวัตตะก็ไม่มีแล้วกวากันนะ อันนั้นก็นี่แหละก็อ่านพะไตรปิฎกไปพอจะมีเพื่อนก็อยู่กับปะไตบิดกแล้วกันเผื่อจะได้มีเพื่อนออกจากวัตตะเนี่ยนะนั่นแหละเถราคาถาเทรีคาถาท่านเหล่านั้นเละพาออกจากวัตฏะเพราะที่เหลือกิจกรรมช่วยกันสร้างวัตฏะเนี่ยนะช่วยกันสร้างวัตฏะเพรา ะ, ะผู้ที่ตั้งกิจการเพื่อกําจัดวัตฏะจึงมีอยู่ไม่กี่คนที่มาของว่าพุทธ ป, ปาโททุลโภพพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นยากในโลกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะคนที่มีอัธยาศัยที่จะ ออกจากวัฏฏะเนี่ยน้อยมากมันผู้ที่มีอัธยาศัยออกจากวาตัตฏะแล้วก็โดยมากก็อะไรนะเป็นประเภทนกน้อยทำรังแต่พอตัวฉันฉันขอหลีกจากอบายได้คนเดียวก็เอาบรรลุที่ไหนก็ช่างเลยขอให้บรรลุอย่างเดียวก็พอละนะโดยที่ใดกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ต้องสนใจแล้วขอให้บรรลุอย่างเดียวก็เอาละนะเป็นประสบการณ์ก็ยังดีโนเนมอะไรเนมอะไรก็เอาหมดเนี่ยขอให้มันบรรลุเอาเป็นใช้ได้อย่างนั้นบางพวกไม่ได้ไม่ได้ช่วยญาติหน่อยก็ดีนะ บางพวกนะัแค่ญาตินะถ้ามดพ้นไปจยากยญาติก็ไม่เอาแล้ะบางพวกก็จินตนาการใหญ่เพิ่มขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆคนที่มีอัธยาศัยออกจากวัตฏะก็น้อยนักเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะหลับไหลอยู่ในวัตฏะนะนะั่นแหละก็เลยง่วงงวงก็เลยหลับไหลเพื่อที่จะเฝ้าวัฏฏะยินดีอยู่ในวัตฏะเสื่อมเสริมอยู่ในวัตฏะเนะี่ยนะค้าเรียกว่าเสมที่จะออกจากวัตฏะเนี่ยนะแต่ว่าอยู่ในวัฏฏะด้วยความสดชื่นมัน เมื่ออัธยาศัยเหล่านี้มันมีน้อยนะการการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมตามวิสุทธิมรรคเป็นต้นเนี่ยจึงเสือ่อมแน่อนันพันธ์ขอมาเชื่อได้เลยว่ายังไงก็เสื่อมนะยังไงก็เสื่อมไม่รู้จะเอาอะไรมารับรองว่าไม่เสื่อมก็ดูสิของเราเรียนจบแล้วใครจะไปอ่านวิสุทธิมรรคต่ออีกสักกี่คนนะแล้วเอาเอาไปอ่านนะเอาไปคิดตามนั้นอีกจะมีสักกี่คนที่คิดตามและคิดเป็นการเป็นงานว่านี่คือหลักชีวิตของเราคือสิ่งนี้ มีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้ามีสิวิสุทธิ์เป็นเบื้องหน้าตอนวันนี้เนี่ยจะต้องเดินตามวิสุทธิ์ทั้งเจ็ดให้รอดแน่นอนเนี่ยนะทุกวันทุกเวลาสมาทานที่จะดําเนินตามวิสุทธิ์ทั้งเจ็ดเนี่ยนะใครตั้งใจไว้อย่างนั้นบ้างตามรารสีตั้งไว้อย่างนั้นหรือเปล่จาจะเนี่ยเห็นอะไรก็ต้องคิดให้เป็นวิสุทธิ์เจ็ดให้ได้รับอารมณ์อะไรก็ต้องให้เป็นไปกับวิสุทธิให้ทั้งเจ็ดแล้วไปตามวิสุทธิเจ็ดกันนะว่า ซ้ายก็ไปไปขวาก็ไปไปจะไปตามอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละอ่างเงี้ยนะก็ถ้าตั้งอย่างนั้นก็อนุโมทนาด้วยนะเพราะว่าเป็นอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเออเนี่ยหมดงานนี้จะได้ไปกินเลี้ยงสักทีไม่ใช่อย่างเง้ยนะเพราะนั้นก็ต้องแยกแยะให้ถูกกันะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเจริญหรือไม่อยู่ที่ความเข้าใจว่าเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรข้อแรกก่อนนะเข้าใจให้พอก่อน พอเข้าใจพอแล้วอยู่ที่ความตั้งใจไอ้ความเข้าใจนี้เป็นชื่อของทิฏฐิเป็นชื่อของปัญญาทํำยังไงความเข้าใจจึงกับเพียงพอข้อสองอัตตะสัมมาปณิธิตั้งอุปนิสัยเพื่อความเจริญในกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปไหมตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไหมก็อยู่ตรงนั้นนะประกาศและทีนี้ความเข้าใจพออัตตะสัมมาปณิธิพอแล้วสัปปายะได้ไหม น, นะออนะพ้นออกจากวัตตก็ไม่ใช่จะออกง่าย แต่ขอมาว่านะอยู่ในวัตฏะก็ไม่ใช่อยู่ง่ายออมาว่าออกจากวัตฏะนะง่ายกว่าอยู่ในวะตะัตฏะมันไม่เหนื่อยมันก็อย่างเช่นนะปฏิบัติธรรมยังไงมันก็ไม่เดือดร้อนเท่ากับตกนรกหรอกนะปฏิบัติธรรมยังไงมันก็ไม่เดือดร้อนเท่ากับเนี่ยเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายเป็นเดรชานปฏิบัติธรรมยังไงมันก็ไม่เหนื่อยเท่าแสวงหาการหรอกเชื่อไหนะปฏิบัติเพราะอะไรเพราะปฏิบัติด้วยปีติสุขแล สมนัสเพราะพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยเป็นน้ําดื่มที่ดับความกระหายมันปีติสัมโพชงจึงมีอยู่วันในศาสนานี่มีปีติสัมโพชงให้ให้ดื่มอยู่มีปัจสั ท, ที่สัมโพชงมีสมาธิสัมโพชงให้เป็นที่สงบระงับดับความกวนกวายทางนามากายและนามากายและรูปากายทําให้กายสงบทําให้กายระงับทําให้กายเยือกเย็นเนี่ยนะ แต่ก็พวกเราทั้งหลายเนะชื่อไหมฟังเรื่องทุกอย่างนี้นะอุย้ยแต่ไม่มีใครเป็นทุกข์เลยไม่เห็นใครนั่งร้องไห้เลยแต่ถ้าไปฟังอีกเรื่องหนึ่งนะไปนั่งร้องไห้กันเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราจะเสียใจยเป็นอย่างมากเพราะการคิดอริยสัจการคิดทุกขสั์การวิจัยถึงความเลวร้ายในวัตตะคนที่วิจัยกลับไม่ได้เดือดร้อนเลยยิ่งมีความสุขขึ้นมั่นใจเลยว่าถ้าตัดฉันราคาในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขเนี่ยนะ ที่พระองค์ตรัสว่าอะไรนะชนะตัณหาชื่อว่าชนะทุกขทั้งปวงเนี่ยนะถ้าชนะใจตัวเองนั่นแหละจะชนะทุกมันตัณหานี่มันเกิดร่วมกับใจใช่ไหมถ้าชนะใจชนะใจที่ประกอบด้วยราคะเป็นต้นได้ก็ถือว่าสิ้นไปแห่งกองทุกขนั้นคุณกันตาถามอย่างเดียวเลยไม่ได้ต่อเลยเนี่ยหมดเวลาละ